ตั้งใจภาวนานะตั้งใจภาวนาทำความสงบเรากําลังต่อสู้กับศัตรูศัตรูในที่นี้ก่อไม่ใช่ศัตรูอื่นไกลหรอกศัตรูไปอยู่ในจิตในใจเรานี่แหละรับพูดให้ลึก ล้ำลงไปก็คือต่อสู้กับความไม่ดีโลกโกรธโลงหรือความชั่วนิสัยไม่ดีของเราที่อยู่ในนี้แหละอยาจะพูดกันธรรมดาธรรมดาก็บอกต่อสู้กับตัวเองตัวของเรานี้หมายคราบว่าจิตใจกายวาจามันไม่ดีมันยังไม่ดี เราต้องต่อสู้เพื่อจะให้มันดีเพราะเราอยากดีเราจึงพากันมาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องต่อสู้เหตุที่ต้องต่อสู้เพราะว่ามันมีมันมีตัวการอยู่ตัวหนึ่งที่มันคอยจะให้ไม่ดีน่ยก่อนที่เราจะดีได้เราต้องต่อสู้กับไอ้ตัวนั้นน่ะ อาต่อสู้กับไอ้ตัวนั้นได้เราก็จิงจะดีได้ถ้าต่อสู้ยังไม่ได้ตากใดก็ยังดีไม่ได้ถ้าต่อสู้ชนะได้นิดหนึ่งก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งความจริงจริง ท, ที่มันไม่ดีเนะี่ยมันมาแอบมาแฝงอยู่ในเราเนี่ยมาอยู่ในใจของเรามาอยู่ในใจมาอยู่ในตายมาอยู่ในวาจา เช่นการประพฤตินตนที่ไม่ดีของเราเนี่ยประพฤติตัวไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีริ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะว่ามันเป็นเหตุให้จิตใจเศ้าหมองเราในที่นี้คือจิตใจให้หมายความเอาถึงจิตใจกายวาจานั้นส่วนมาก ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของจิตใจคือเราทำอะไรลงไปด้วยการรับคำสั่งจากจิตใจจิตใจสั่งการสั่งงานโดยผ่านทางสมองสมองมันก็สั่งต่อไปผ่านทางเส้นประสาทสั่งผ่านไปทางกล้ามเนื้อก็สั่งไปทางกาย สั่ไปทางวาจาพูดเสีงสั่งไปทางกล้ามเนื้อที่ปากให้มันพูดออกมานั่นแหละทีนี้เราถ้าเราไม่ได้พิจารณาดูเราก็นึกว่าเราดีอยู่เสมอจนกระทั่งว่าใครๆเขาเห็นว่าเราไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่เราพูดจนก็ไม่ดีเขามาว่าเรายังเคืองเขาอีกเรานึกว่าเราดีอยู่นี่ มาเพลงเลงเรามาดูถูกเราตัวเองดีสักเท่าไหร่เชียวเนี่ยก็ยังไปคิดอย่างนั้นทีบางทีเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเน่ยถ้าสมมติว่ามีใครมาบอกเราบอกว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราเรีบกลับมาพิจารณาดูสั้งตอยูทันทีนะยังไม่โกรธนะยังไม่โกรธ่นะมาพิจารณาดู เอ๊มันจริงหรือเปล่านาะตอนไหนช่วงไหนเราทํำยังไงเราพูดยังไงเฮ้ยคำมันยังไงบางทีเราจะเห็นจะเห็นหรอกว่าเออมันไม่สมควรจริงๆอย่างน้อยที่สุดมันก็ไปกระทบกระเทือนไอ้คนนั้นน่ะคนที่มาว่าเราเนะ่ะคนที่มาตักมาเตือนหรือมากล่าวว่าเรานเะนี่ยน่านมันไปกระทบแล้ว ถ้าจิตใจที่ดีแล้วการประพฤติปฏิบัติที่ดีนะ่ะมันไม่ไปกระทบกระเทือนใครอันนี้พูดอย่างนี้นะ่ะหมายความว่าทุกคนทุกคนให้ดูแลตัวเองถ้าทุกคนทุกคนดูแลตัวเองแล้วความรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เป็นที่ผิดปกติมันจะเกิด คือทุกสิ่งทุกอย่างเนนะให้จิตใจเรามันเป็นธรรมะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมเมื่อเป็นธรรมแล้วการที่เรากระพุ้ดปฏิบัติอะไรออกไปเนี่ยมันจะเป็นธรรมมันจะไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปเบียดเบียนใครและถ้าบุคคลที่เขามารู้สึกว่าเราไปเบียดเบียนเขาเนี่ยนะถ้าเขาจิตใจเข้าถึงธรรมะถึงความเป็นไปที่แท้จริงของธรรมะแล้วเน่ะ เขาก็จะไม่รู้สึกว่าเบียดเบียนบางคนที่มีนิสัยเลวร้ายก็อาจจะมีมีนิสัยเลวร้ายเห็นคนที่เขาอยู่สงบเรียบร้อยสํารวมดีเนี่ยหน้ามันใส้อย่างนั้นก็มีอันนี้คนที่เขาอยู่สงบเฉี่อยเรียบร้อยก็ไม่พูดซ้ทำทําเพลงไม่ฟุ้งไม่สร้าน เขาอยู่ในศีลอยู่ในธรรมดีนะมันถูกแล้วมันดีแล้วนะแต่ตนเองชอบวุ่นวายมันก็เลยไม่ถูกกับตัวเองนมะ่มันก็เลยรู้สึกว่าขัดเคืองลูกในตาก็เลยมีบางทีก็ว่ากล่าวว่าขานกันขึ้นแต่ถ้าบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วถึงเขาจะมาว่าก็ไม่เคือง รีบสำรวจตัวเองเลยเออเราดีหรือไม่ดีเนาะ ก, ก็ดีอยู่น้าจะพูดอะไรจะทําอะไรก็มีสติมีความระลึกอยู่ก่อนจะพูดในขณะที่พูดก็ระลึกอยู่ความรู้ตัวเองก็มีอยู่ตลอดไม่ผิดหน้าที่พูดนี่แล้วก็บางใจได้โดยมีความเข้าใจว่าบุคคลที่มาว่าเรานะ่ะนะ เขาว่าเราด้วยเขาเข้าใจผิดความจริงเราดีอยู่เขานึกว่าเราไม่ดีโอ้น่าสงสารถ้าเขามีความรู้จักอะไรดีไม่ดีอะไรถูกไม่ถูกเนี่ยเขาคงจะไม่มาว่าแล้วถ้าบคุคคลนี้ธรรมะแล้วนะ่ะมันไม่เป็นพิษเป็นภยัยทั้งนั้นทั้งทั้งที่เขาขณะมาว่าหรือหลังจากเขามาว่าก็มีความรู้สึกเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างน่ะเป็นไปโดยเหตุโดยผลที่เขามาว่าน่ะเพราะเขายังไม่รู้นั่นมันมีเหตุมีผลอยู่อย่างนั้นนะสำหรับบุคคลที่ชอบไปว่าใครเขาถ้าต่อไปอีกภายหน้าประพฤติปฏิบัติมีจิตใจสงบเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจในธรรมะความไม่เหตุมีผลทุกสิงต่างๆแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกอย่างนั้นแหะเหมือนเหมือนกับบุคคลแรกนั่นแหะ ไม่เห็นว่าจาเป็นจะต้องไปว่าอะไรใไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกต้องอยู่เพราะว่าจิตคนนั้นเขาสงบจิตคนนั้นเขาสํารวมเขามีสติเขามีสัมปชัญญะเขามีคุณธรรมอันดีอันสูงส่งเขาเลยสงบอยู่ได้เนี่ยมาพิจรารณาไปเลยลเออมันถูกแล้วที่เขาสงบเนะีเขาไม่มาพุ้งด้านไม่มาคุยจาะเหมือนเรานะ่ะถ้ามันถูกแล้ว แลม้มานึกเห็นได้ไว้เออตอนนั้นเราไดอีกไม่แต่วุ่นแต่ว่ายอาจจะยังไม่นึกเห็นอย่างนั้นน่าอาจจะเป็นไปได้ทีหลังนู่นไกลนู่นเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่มันเกิดขึ้นปรากฏในธรรมชาติมันเป็นปกติเป็นธรรมดาเป็นปกติอย่างนั้นดังนั้น การที่เราพยายามรักษาตนของตนเราต่อสู้กับความรู้สึกต่างๆต่อสู้กับความรูอสึกจะโกรธจะเคืองจะขัดข้องในหูในตาความเกิดหมันใส้ความรักค ว, รความนุ่มความหนงความกังวลความวาดความกลัวใช่ทั้งนั้นเราจะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้หละ คือสิ่งเหล่านี้เราดูแล้วว่ามันไม่ใช่มันเป็นผิดปกติเนี่ยมันน่ามันใจมันน่าจัดการอะไรอย่างนี้นะน่าปราบน้าตอบสนองพยายามต่อสู้กับอารมณ์ที่มีความรู้สึกต่อต้านตรงนี้มันไม่เกิดอยู่ในไหนมันไม่เกิดไกลหรอกมันเกิดอยู่ในใจเราที่แหละอารมณ์ต่ตางๆตรงนี้เราบางทีเห็นเพื่อนเนี่ยรู้สึกไม่ชอบไม่ชอบขีนา อยากจะปราบอยากจะปราบให้รู้สานึกสักทีคือเพื่อนนี่มันไม่ดีเราจะไปเอาชนะมันไปปราบมันถ้าเราคิดอย่างทั้นนะจงคิดว่าเรานี่ยังไม่ถึงคุณธรรมคุณธรรมเรายังไม่พอเราปราบมันไปปราบผิดที่ถ้าจะให้ดีให้ปราบไม่ถูกต้องปราบตนเองนะั่นแหะปราบตนเองที่ให้ดีแล้วมดเตี้ยนหนามต่าง บุคคลอื่นหมู่เพื่อนหมู่อะไรที่เขาทำแล้วมันขีดขวางในตาหรือมันมันกระทบกระเทือนเรานจะไม่กระทบกระเทือนเลยไม่เป็นที่เป็นภัยเลยนี่เพราะฉะนั้นสรุปเนี่ยว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นปั่นป่วนในจิตในใจของเราเนี่ยอย่าไปลบไกลอย่าไปต่อสู้ไปอย่าไปปราบไกลต่อสู้มันอยู่ในเรานี่ยแหละต่อสู้มันอยู่ในนี้ปราบมันอยู่ในนี้ เนกำหลับมันอยู่ในนี้แหละกำหลับใจของตนเองกำหลัใจของตนเองอย่าให้มันกระเพื่อมอย่าให้มันกระพืออย่างน้อยเราจะสังเกตเห็นว่าเอา้ามันเดือดร้อนในเพราะแกกระพือแล้วสิใจดิ้นรนแล้วสิเนะนี่ยนี่ใจอยู่ไม่ถูกแล้วสินี่ปราบมันตรงนี้เหมือนอย่าง คนเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่ล่ะหล่นมาโดนลังคาเราลั่วลุวล่วลงมาเนี่ยฝน ล, ลั่วจักจักจักจะทํำยังไงอ่ะเราต้องรีบปะลัาางคาเราสิซ่อมลังคาเราโดยเร็วหรือว่าจะเที่ยวไปตามหายอยอ้ใครน้อมันมาคว่างลังคาแล้ววิ่งไปนู่นไปไกลนู่นไปดูเขาอะไรใครน้อมาคว่างลังคาจะเล่นงานมึงไงมาทำํำลายลังคาเรา ลอคิดดูสิมันจะฉลาดไม่ร้านอย่างนั้นอ่ะดีที่สุดก็คือมามุงลังคาเนี่ยมาตอมหลังคาเนี่ยเนี่ยเราอยู่สบา ย, ายหายหายจากความเดือดร้อนถ้าสมมุติไปนู่นแล้วไปวิ่งไล่ตามทําร้ายบุคคลที่มาทําให้ลังคารั่วหรือว่าโยนก้อนอิฐ ก, ก้อนหินมาโดนลังคาลวกไปทำร้ายกลับมาแล้วลังคาเรายังร่วกอยู่เอาก็ยังเปลียนอยู่แหละข้าวของเรา แล้วมีหนำจำมันยกพวกมาตียวอีกนะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ไม่กันละเสรินพระพุทธเจ้าการละเสรินให้เราปราบตัวเองปราบอะไรปราบความโลภมันอยากเหลือเกินมันอยากได้เหลือเกินปราบความโกรธความโกรธที่มีเยอะในพวกเราเนี่ยปราบที่อย่าไปปราบไกลตะจูมันไม่ได้อยู่ไกลหรอกมันแอบอยู่ในนี่นะ่ะมันคอย ยุ่ยเฉยๆหรอกมันคอยทําให้เราไข่เหว่ให้เรามองเห็นว่าตัวจริงมันนู่นไงวิ่งว่งแปบรบแปรแปไปนู่นนี่นู่นอยู่ข้างนอกนี่เพื่อนนู่นแหละไอ้ที่ไม่ดีก็เพื่อนนู่นแหละไอ้ที่คนที่มากระทบเรานั่นแหละไม่ดีนั่นนะมันหลอกนะมันหลอกให้ออกไปคนามจรมันแอบอยู่นนี่มันแอบย่ํายีในจิตในใจของเราอยู่ใครโกรธเราลองคิดดูสิใครโกรธ จิตใจเราเนี่โกรธคนอื่นเขาเขาสบายเห็นไหมดูแค่นี้ก็รู้แล้วมันอะไรมันควรจะปราบตรงไหนควรจะแก้ตรงไหนอย่างพระพุทธเจ้าองค์ทรงยกตัวอย่างนัเ น, นะถ้ามีจตูตเขายิงธนูมาเสียบป้าบเข้าไปตรงหัวใจเราหรตรงหน้าอกเราเนี่ยผู้ที่ฉลาดควรจะทำยังไง ควรจะวิ่งไปตามดูใครนอที่มายิงเรายิงด้วยอาวุธอะไรนอธนูเล่มไหนอันไหนนออย่างนั้นเหรอหรือว่าเราจะรีบรักษาแผลเนี่ยเราลองคิดดูแค่นี้ก็จะรู้จักพระพุทธองค์แต่ละเสดในการเรียกจะเราปราบตัวเองจะเอาชนะก็ชนะตนเองชนะตเนะตเองนั่นก็ ถ้าชนะได้แล้วคิดารณาเข้าไปเถอะจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนะเราเอาชนะกิเลสเราจะไปรู้ทีหลังก็ได้ว่าเราจะชนะอันะกิเลสอุปกรณ์ที่จะใช้ก็มีอยู่มากนะอย่างสติสัมปชัญญะขันติเอามาใช้ก่อนเป็นอาวุธที่เราที่พระพุทธองค์จัดไว้แล้วขันติความอดทน อดทนไม่มีกำหนดความอดทนเนี่ยความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยอดทนไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดให้มากที่สุดอดทนให้มันได้ทุกเรื่องนี่นะเมื่ออดทนได้อดทนแข็งแกงเนี่ยก็หมายถางว่าความยั้งคิดยั้งจะโกรธยั้งจะเสยไปยั้งมันไว้พอยั้งไว้ได้แล้วเนี่ยมันจะได้มีคิดพินิพจารณา เมื่อพิจารณาโดยสงบตั้งอกตั้งใจดีก็เลยมีสติสัมปชัญญะก็มีสมาธิในการเก็บคิดเมื่อมีสมาธิมันก็เข้าใจเท่านั้นแหละมันเข้าใจว่าอะไรมันเข้าใจว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเออเพื่อนพุงเรามีธรรมชาติของเพื่อนธรรมชาติของความคิดของเพื่อนเรามันเป็นอยู่แค่นั้นมันคิดได้แค่นั้น เลยทําสิ่งอย่างนั้นอย่างนั้นขึ้นมามันเลยมาเสียดแทงใจเรามันเลยมาทิ่มแทงใจเราความจริงเขาไม่ได้จะมาทิ่มแทงหรอกเหตุการณ์มันเขาทําอย่างนั้นเขาแสดงอาการอย่างนั้น ย, ยี้มใหญ่นั่นพูดอย่างนั้นนะเพราะว่าเขามีความรู้แค่นั้นเขารู้จักแค่นั้นเขาฉลาดแค่นั้นน่ะโอมารู้จักตรงนี้แล้วหายมด พระอย่างนั้นก่อคิดอะไรไม่ออกก็ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าทรงไว้ก่อนนะส่งไว้ก่อนมันจะเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นมาในใจิตในใจจะเป็นเรื่องรักก็เหมือนกันเรื่องชังก็เหมือนกันเรื่องหวาดกลัวเรื่องกระตับกระส่ายอดทนไว้ก่อนแล้วพิจารณาดูเองมันน่าจะกระตับกระส่ายหรือมันน่าจะโกรธหรือมันน่าจะรักเอะไรนะนะ้วนะมาพิจารณากันดีดี พิจารณาเนี่ เ, เรจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันลอ้อมันไม่ได้มาหลังแกเบียดเบียนเราลอ้อถ้าขืนว่าเราไปขณะนั้นไปต่อไปโต้ทันทีนั้นคนที่โง่นั้นคือเราคือจิตของเราเนี่ยจิตนี่แสนจะโง่มันจะเห็นเองนะอันนี้นะจะเห็นเองเอาวันนี้เราหัดทําความสงบกําหนดจิตกบหนดใจไว้นี่ละ ความสงบนี่เป็นเรื่องที่จะต้องหัดเพราะมันมันยังไม่เป็นมาเก่าหรือเป็นก็เป็นนิดๆหน่อยๆหัดจะให้มันมากๆเตรียมไว้มากๆหัดความสงบหัดสติคือความระลึกเนี่ยอย่าระลึกไปไกลให้ระลึกหัดแบบพระพุทธเจ้าระลึกกลับมาที่ตนเองระลึกอยู่ตรงนี้แหละให้มีสัมปัชย์ยะเอาสัมปัชย์ยะเป็นตัวกำหนดเป็นตัวควบคุมก็ได้ ให้มีความรู้ตัวอยู่ตรงนี้รรมะเทศนาลงกูจะล่องรอยมาในเกน็มาหาเรานี่แหละไม่หนีไปไหนนะไม่หีไปไหนหรอกมาหาเรานี่แหละรักษาอยู่ตรงนี้เอาต่อไปนี้หัจทำความสงบกัน